มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการมุมมองข่าววันนี้ดิฉันดรนิสากรภัยบุญสินพบกับคุณผู้ฟังทาง fm 89.5 เมโคเฮิรสตสถานีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะ คุณผู้ฟังคะเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาวันที่4กรกฎาคมนะคะทางรัฐสภาโปรแลนด์ได้ออกกฎหมายให้ประชาชนที่มีอายุต่ำกว่า26ปีและมีรายได้ต่อปีไม่น้อยกว่า 85,000 ชัวตือโปรแลรนด์ซึ่งถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ราวๆ 6.95 แสนบาทต่อปีนี่นะคะซึ่งก็ มีรายได้นะคะต่อเดือนก็ประมาณ 5.80 หมื่นบาทเนี่ยไม่ต้องจ่ายภาษีเงินได้ส่วนบุคคลให้กับรัฐบาลโดยกฎหมายนี้นะคะก็จะมีผลตั้งแต่วันที่1่งสิงหาคมนี้เป็นต้นไปค่ะและคาดว่าในจำนวนนี้นะคะก็มีผู้มีอายุต่ำกว่า26ปีทั่วประเทศจะได้รับประโยชน์จากการออกกฎหมายในครั้งนี้ไม่น้อยกว่า2ล้านคน ความที่น่าสนใจของข่าวนี้นะคะคุณผู้ฟังก็คือว่ารายได้ต่อปี 85,000 ชวัตูโปรแลนที่ถือเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาทางกฎหมายเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้ในครั้งนี้ถือเป็นรายได้ที่สูงกว่ารายได้เฉลี่ยของคนทั้งประเทศนะคะซึ่งก็อยู่ที่ 60,000 ชวัตตูโปรแลนก็อยู่ที่เป็นเงินไทยประมาณ 480,000 บาทต่อปีค่ะ แต่ว่าถ้าคนที่มีอายุต่ำกว่า26ปีและมีรายได้ไม่น้อยกว่า 695,000 บาทนี้นะคะถือว่าสูงทีเดียวนะคะ จึงนะคะเป็นที่มาของการที่กฎหมายใหม่ของโปรแลนด์นะคะต้องการที่จะรักษาคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถมีไรายได้สูงแล้วก็มีทักษะดีให้อยู่ในประเทศต่อไปโดยที่ไม่ต้องออกไปทำงานในประเทศอื่นๆในยุโรปเหมือนที่เป็นมาในอดีตนะคะเพราะว่าที่โปรแลนด์นี้นะคะคนของเขาเนี่ยก็จะนิยมออกไปทำงานในประเทศอื่นๆในยุโรปเนี่ยค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นการ รักษาคนรุ่นใหม่นะคะที่มีความสามารถมีไรายได้สูงและมีทักษะดีเอาไว้ในประเทศนะคะก็จะทำให้ประเทศชาติพัฒนาค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของประเทศโปรแลนด์นะคะก็ถือว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้างที่จะ ได้รับความสนใจนะคะจากประเทศอื่นๆทั่วโลกเลยในบ้านเรานะคะมีการเสียภาษีนี่นะคะถือเป็นหน้าที่ขั้นพื้นฐานนะคะที่สมาชิกในสังคมต้องปฏิบัติตามแต่จริงๆแล้วนี่นะคะไม่ใช่เฉพาะบ้านเรานะคะประเทศอื่นๆทั่วโลกเลยเพราะว่ามีระบุในกฎหมายนะคะตามกฎหมายแล้วเนี่ยบุคคลทุกคนที่มีไรายได้จากงานประจําเพียงทางเดียว เว้นแต่ผู้ยาวคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถมีหน้าที่ที่ต้องยื่นภาษีและเสียภาษีนะคะหากว่าบุคคลนั้นมีไรายได้เฉพาะเงินเดือนเกิน 3,19,000 ับาทต่อปีขึ้นไปนะคะ ก็ต้องเสียภาษีน ะ, ะยื่นภาษีแล้วก็เสียภาษีแต่ถ้าไรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่านี้นะคะไม่ต้องเสียภาษีแต่ต้องยื่นภาษีเหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของภาษีนะคะที่ประเทศอินเดียก็เช่นกันค่ะตอนนี้นะคะรัฐมนตรีคลังของอินเดียนางนีมาลาสิตารมันกำลังนะคะที่จะขึ้นภาษีสินค้าคนรวยนะคะโดยเรียกเก็บภาษีเงินได้กับผู้ที่มีเงินรายได้ล้านรูปี ต่อปีขึ้นไปนะคะกล่ในประชุมรัฐสภาะะเรื่องงบประมาณประจำปีนะคะที่จะสิ้นสุดลงในวันที่31มีนาคมของปีหน้าซึ่งถือเป็นกฎหมายงบประมาณฉบับแรกนะคะภายใต้การบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี เรนทราโมดีนะคะว่างบประมาณรายจ่ายจะไม่เพิ่มขึ้นมากมายอย่างที่หลายฝ่ายคาดการไว้นะคะถึงแม้ว่ารัฐบาลมีแผนที่จะปรับลดตัวเลขการขาดดุลการคลังให้เหลือร้อยละ 3.3 ของ GDP ในประเทศโดยการขึ้นภาษีสินค้านำเข้า75รายการนะคะอย่างเช่นทองคำนะค ะ, ะการเก็บภาษีนำเข้าน้ำมันดิบหรือขึ้นภาษีน้ามันดีเซลเบนซินนี้นะคะ รายได้จากการเก็บภาษีนี้นะคะก็ไม่เพียงพอดังนั้นก็จะเรียกเก็บภาษีเงินได้นะคะร้อยละสิบกับผู้มีรายได้5้าถึงสรูปีต่อปีนะคะหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณสองล้าน2อง0 0 0ืบาทจนไปจนถึง4ี่ล้านี่แสเจื่นบาทต่อปีนะคะ พร้อมกันนี้ก็จะเรียกเก็บภาษีร้อยละ15กับผู้มีรายได้เกิน10ล้านรูปีต่อปีก็คือมีรายได้เกิน4ล้าน4แสน7หมื่บาทขึ้นไปแล้วก็จะเก็บภาษีคนรวยร้อยละ25สำหรับผู้มีที่มีรายได้ 20-50 ถึงล้านรูปีก็คือประมาณ9ล้านบาทขึ้นไปและ ก็จะเก็บภาษีร้อยละสานะคะกับผู้มีรายได้เกิน50ล้านรูปปีนะคะก็คือประมาณ22ล้านบาทขึ้นไปนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของประเทศอินเดียนะคะที่จะขึ้นภาษีสินค้าแล้วก็จะเรียกเก็บภาษีเงินได้กับผู้ที่มีเงินรายได้นะคะล้านดูปีต่อปีขึ้นไปนะคะ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะภาษีที่เก็บมานะคะก็จะนําไปใช้นะคะในการพัฒนาประเทศนั่นเอง ไปกันที่ประเทศบาหลีนะคะมุมมองข่าวที่ประเทศบาหลีบาหลีจะกลายเป็นเกาะแรกและจังหวัดแรกของประเทศอินโดนีเซียที่ห้ามใช้ถุงพลาสติกหลอดและโพลีสไตรีนก็คือใช้ครั้งเดียวทิ้งเมื่อประกาศเป็นกฎหมายบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้นะคะก็คือว่าบาหลีนี่นะคะ ได้หยิบยกประเด็นสําคัญก็คือขยะทะเลนะคะขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเป็นการบังคับของทางการบาหลีล่วงหน้า6เดือนนะคะว่าเจ้าของธุรกิจทุกคนมีระยะเวลาผ่อนผัน6เดือนเพื่อทางเลือกใหม่สําหรับถุงพลาสติกและโพลีสไตรีนก็คือโฟมนะคะและเตือนทุกภาคส่วนให้พร้อมรับสถานการณ์งดการใช้พลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งนี่ก็ถือว่าเป็น ชัยชนะครั้งใหญ่ของบาหลีนะคะที่ประชาชนชาวบาหลีพร้อมใจที่จะแก้วิกฤตมูลพิษพลาสติกนะคะเราต้องการให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นี้ที่จะบังคับใช้ตามกฎหมายแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงผู้ค้าปลีกสมัยใหม่ไปจนถึงตลาดดั้งเดิมทั้งในเมืองชุมชนหมู่บ้านจะไม่ใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งอีกต่อไปค่ะ ผู้ว่าราชการจังหวัดบาหลีคาดหวังว่าการห้ามจะช่วยรักษาความสัมคีและคืนความสมดุลให้กับระบบนิเวศของบาหลีนะคะแล้วก็จะไปสอดคล้องกับแนวทางเรียกร้องขององค์การสหประชาชาติที่ให้ประเทศต่างๆลดการสร้างขยะพลาสติก ลดขยะทะเลที่ลงไปทำร้ายสัตว์ทะเลและระบบนิเวศรวมถึงสาเหตุสำคัญของกิจกรรมมนุษย์ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนอีกทั้งอินโดนีเซียก็อยู่ในฐานะประเทศผู้สร้างขยะทะเลมากเป็นอันดับที่สองของโลกด้วยปริมาณขยะทะเลถึงสามจุด 22ล้านตันต่อปีเนื่องเพราะว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีชายฝั่งยาวไกลมากที่สุดในอาเซียนถึง 55,000 กิโลเมตรค่ะซึ่งก็สุ่มเสี่ยงที่จะทำให้ขยะบกไปสู่ทะเลมากขึ้นนะคะและอีกประเด็นที่สำคัญก็คือบาหลีเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยนะคะนักท่องเทียเ่ยวจะเข้ามาในบาหลีมากดังนั้นบาหลีจึงจาเป็นที่จะต้องดาเนินการตามกฎหมายนะคะที่ มีการที่จะห้ามใช้ถุงพลาสติกโฟมแล้วก็พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งค่ะนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่เรียกได้ว่าทั่วโลกนะคะต้องพร้อมใจกันนะคะลดการใช้ถุงพลาสติกลงช่วงนี้ฟังเพลงจากรายการกันก่อนค่ะ มีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงอยู่ทุกครั้งที่มองดาวมีแต่คิดถึงมีแต่คิดึงรืองบนบานฝันของเรามีแต่คิดถึงมแต่คิดถึงและบ่อยครั้งก็ทำให้เหาคิดถึงเธอคิดถึงเธ อนำถึงมาร่วมทางอยู่กับฉันตามกลางคืนวันที่เหนื่อยล้ากายใจให้ยังพอมีแรงสู้ไปถึง้งน้ำก็รู้ว่าฉันยังมีมือของเธอถึงฉันนั้นพลังหรือพลัดอะไรไปยังน้อยยังมีเธอ ฉันลืมตาออขอแค่ได้มองเห็นเธออยู่กับฉันหนทางจะไกล ส, สนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม r m u t Moving Towards Innovative University ค่ะคุณฟังคะ่ะฟังเพลงพอๆผ่านไปเรามาดูเรื่องแปลกๆของที่ประเทศฝรั่งเศสกันนะคะมีรายงานคดีนะคะที่ทาง CNN ได้รายงานมาเมื่อต้นเดือนกรกดา ค, คมนี้นะคะซึ่งก็เป็น คดีนะคะที่เรียกได้ว่าแปลกมันเป็นคดีที่สะท้อนนะคะความแบ่งแยกระหว่างในเมืองแล้วก็ชนบทอย่างชัดเจนเลยนะคะเมื่อไก่นะคะไก่พ่อพันตัวผู้ไก่ที่เป็นสัตว์นี่นะคะเป็นไก่พันตัวผู้นะคะถูกดำเนินคดีในฐานะจำเลยค่ะโดยมีนักท่องเที่ยวนี่นะคะที่ไปเที่ยวในหมู่บ้านนี้นะคะ กล่าวหาว่าเสียงของไก่ขันเนี่ยรบกวนเพื่อนบ้านแล้วก็เป็นประเด็นทะเลาะกันเรื้อรังกันอย่างยาวนานมากระหว่างคนบ้านใกล้เลื่อนเคียงนะคะ สืบเนื่องจากนะคะคดีนี้นะคะเกิดขึ้นที่หมู่บ้านเซนเปียร์โดเลรองนะคะซึ่งเป็นเกาะนอกชายฝั่งทางตะวันตกของประเทศฝรั่งเศสนะคะได้ถูกนะค ะ, ะนักท่องเที่ยวนี่นะคะรองทุกถึงเสียงไก่ขั น, น ะ, ะในปี2560ในเดือนเมษายนนะคะคือนางกรินเฟสโซซึ่งเป็นเจ้าของไก่โมริสซึ่งเป็นตัวแทนของจำเลยจำเลยก็คือไก่พันตัวผู้นี้นะคะบอกว่าจะต้อง ให้จัดการให้เจ้ามอริสเนี่ยเงียบเสียงลงแต่นางโกรินซึ่งเป็นเจ้าของไก่บอกว่าตอนอยู่ที่หมู่บ้านเซนเปียดูเรรองมา35ปีไม่เคยเห็นว่าเจ้ามอริสซึ่งเป็นไก่พันตัวผู้รบกวนใครแต่คนที่ไปกล่าวหาฟ้องศาลเลยนะคะคุณฟังว่าไก่มอริสพ่อพันตัวผู้นี้นะคะอ่า มีเสียงข่นรบกวนเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในเมืองค่ะนานๆจะมาพักที่หมู่บ้านชนบทแห่งนี้ปีละสองถึงสามครั้งดังนั้นนี่นะคะเขาไม่ต้องการให้ไก่เนี่ยมารบกวนนะคะเสียงของไก่เนี่ยมารบกวนเขานะะ่ะดังนั้นเขาเลยต้องไปฟ้องศาลแต่เจ้าของไก่ในฐานะที่เป็นตัวแทนนะคะของไก่บอกว่าไม่ต้องการให้ไก่ขึ้นศาลเนื่องจากว่า กังเกงว่าไก่เนี่ยจะไปรบกวนกระบวนการในศาลค่ะแล้วหวังว่าหลังขึ้นศาลแล้วทุกอย่างจะต้องหาข้อยุติได้นะคะคือทุกคนนะคะจะต้องเข้าใจความหมายของความเป็นชนบทนะคะว่าชนบทก็ยังคงเป็นชนบทแล้วคนที่อยู่ในชนบทจะมีความอดทนต่อเสียงของไก่ขันค่ะแต่นะคะทัศนคติของคนเมืองเนี่ย ไม่ชอบนะคะเนื่องจากว่ามันไปรบกวนนะคะรบกวนเขาดังนั้นจึงเป็นคดีนะคะที่เป็นประเด็นระดับชาติของชุมชนชนบทเป็นตัวบ่งชี้ว่าเกิดการแบ่งขั้วกันระหว่างในเมืองและชนบทฝรั่งเศสค่ะคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่ามีคนที่มาสนับสนุนการต่อสู้คดีของ ตัวแทนไก่นี้นะคะเกือบ 1,2,000 0คนนะคะเพื่อช่วยเจ้าไก่มอริสนี้นะคะแล้วก็หลายๆคนก็อุ้มไก่ของตัวเองมาสารเพื่อให้กำลังใจตัวแทนของไก่มอริสก็คือนางโกรีนเฟสโซ่ค่ะทนายความของโกรีนและไก่มอริสนะคะคือจูริอองปาบิโนนะคะบอกว่า เขาจะต้องชนะคดีเนื่องจากว่าไก่ตัวผู้ไม่ใช่สิ่งผิดปกติไม่ใช่ปัญหาที่เหลืออดไก่ตัวผู้นี้ไม่ได้อยู่ที่หมู่บ้านชั่วคลังชั่วคราวแต่ว่ามันอยู่มานานมันอยู่กับแม่ไก่ตามปกตินะคะแล้วเจ้าของก็ต้องการไข่ไก่ อันนี้เป็นคำพูดของทนายเจ้าของไก่นะคะส่วนเทศมนตรีชุมชนเซนเปียดูเรรองนายคริสโตเฟอร์ซัวบอกว่าคดีนี้จะเป็นตัวอย่างของปัญหาในสังคมปัจจุบันนี้ละค่ะปัญหาก็คือว่าเราไม่อดทนอดกลั้นต่อกันและเสียงดั้งเดิมของชนบทควรได้รับการคุ้มครองที่นี่ก็คือหมู่บ้านเซนเปียดูเรรอง เราสามารถได้ยินเสียงเพลงจากนกเขาเสียงจากนกนางนวลเสียงรถแท็กอร์ที่ทำให้เกาะเราสวยงามทัศนียภาพของเสียงสำคัญและมีส่วนช่วยอย่างสำคัญที่จะทำให้พื้นที่ของเราสวยงามค่ะแต่นักท่องเที่ยวนะคะเมื่อมาได้ยินเสียงไก่ขานนี่มันอาจจะไปรบกวนการนอนหรือวรบกวนอะไรของเขาก็แล้วแต่นะคะเขาไม่อดทนไงคะ่ะ ต้องไปฟ้องศาลและคดีนี้ศาลจะนัดอ่านคำพิพากษาในวันที่5กันยายนที่ใกล้จะถึงนี้ค่ะและคำตัดสินจะเป็นยังไงนะคะทางรายการมุมมองข่าวจะนำมาเสนอให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะอีกข่าวหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องของอาณาจักรโบราณที่ผุดขึ้นหลังจากน้ำลดมีรายงานการค้นพบสร้างพระราชวังโบราณอายุ 3,000 ถึง400ปี กลางอ่างเก็บน้าของเกื่องโมซูนริมฝั่งแม่น้ำไทกิสที่ประเทศอิรักค่ะหลังจากที่เกิดภาวะแรงจนระดับน้ำลดลงที่ภาคเหนือของประเทศอิรักพระราชวังดังกล่าวมีร่องรอยอยู่ห่างจากแม่น้ำราว20เมตรตั้งอยู่บนทางลาดที่สูงกว่าแล้วก็มีกําแพงก่อโคนกั้นลดหลั่นเป็นชั้นๆตามมาเพื่อเสริมอาคารให้มั่นคงขึ้น ปรากฏเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมค่ะแต่พอน้ำรถนะคะไม่ใช่ต่อผุดนะคะคุณผู้ฟังน้ำรถวังผุดค่ะการค้นพบนี้นะคะจะนำทีมโดยนักโบราณคดีชาวเยอรมันและชาวเคิร์ดค่ะเขาจะาขุดค้นต่อไปจนกว่าจะได้ข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับอาณาจักรมิตรนีซึ่งเป็นอาณาจักรที่นักโบราณคดีมีข้อมูลน้อยที่สุดในบรรดาอาณาจักรโบราณตะวันออกใกล้หรือประเทศเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ระหว่างเมดิเตอร์เรเนียนไปจนถึงอิหร่านนะคะและการค้นพบครั้งนี้เป็นการค้นพบทางโบราณคดีที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคนี้ในช่วงไม่กี่ทศวรรษมานี้ค่ะคุณผู้ฟังคะนักโบราณคดีจากสถาบันศึกษาภูมิภาคตะวันออกใกล้มหาวิทยาลัยทูบิงเงินจากเยอรมัน ไอวาน่าพูจิชบอกว่าพระราชวังแห่งนี้มีชื่อเป็นที่รู้จักว่าเคมูลออกแบบและสร้างกำแพงด้วยอิฐโคลนหนาวกว่า2เมตรกำแพงบางส่วนสูงเกิน2เมตรและมีห้องมากมายที่ก่อกำแพงค่ะนอกจากนี้นะคะทีมงานยังพบผ้าประบายสีที่กำแพงเป็นสีแดงและสีฟ้าซึ่งเป็นสีของพระราชวังในยุคนั้นแต่ไม่ค่อยพบว่ารักษาไว้ได้มากนักนะคะ การค้นพบภาพระบายสีที่กำแพงในวังเคมูลเป็นเรื่องเร้าใจทางโบราณคดีเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าพระราชวังเคมูลเป็นเพียงโบราณสถานแห่งที่สองที่พบในภูมิภาคนี้และปรากฏภาพระบายสีในยุคมิตตาเนีนอกจากนี้แล้วนะคะภาพโบราณวัตถุที่ค้นพบยังมีแผ่นจานลึกดินในอักษรลิมที่ทีมงานถ่ายภาพ ข้อความแล้วส่งไปแปลที่เยอรม น, นีแล้วค่ะและทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ข้อมูลภายในโครงสร้างอาณาจักรมิตตเนีเช่นองค์การเศรษฐกิจความสัมพันธ์ระหว่างเมืองหลวงของมิตตเนีและศูนย์กลางบริหารงานในภูมิภาคเพื่อนบ้านนะคะ โบราณสถานแห่งนี้เริ่มเป็นที่สังเกตครั้งแรกในปี2553เมื่อระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำลดต่ำลงค่ะแต่พอมาในปีนี้เกือบ10ปีเขาคุณผู้ฟังคะ2562เป็นครั้งแรกค่ะที่นักโบราณคดีขุดค้นลงไปยังพื้นที่นี้แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าซากพระราชวังปรากฏในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเมื่อขุดได้ไม่นานก็จะจมลงไปอีกนะคะและไม่แน่ใจว่าจะโผล่ขึ้นมาให้เห็นอีก เมื่อใดเนื่องจากว่าพระราชวังแห่งนี้นี่นะคะทำด้วยสร้างด้วยโครนไงคะคุณผู้ฟังดังนั้นเนี่ยมันก็สามารถจะจมเข้าไปน้ำและเมื่อน้ำลดก็โผล่ขึ้นมาให้เห็นนะคะ อีกข่าวหนึ่งค่ะก็เป็นเรื่องของชั้นบรรยากาศของโลกนะคะที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะชั้นบรรยากาศของโลกถูกปกคลุมด้วยก๊าซเรือนกระจกมากเกินไปนะคะไม่ใช่ปกคลุมธรรมดานะคะปกคลุมที่มากเกินไปก๊าซเรือนกระจ ก, กก็ประกอบไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหลักรวมถึงก๊าซมีเทนก๊าซโอโซนที่มีคุณสมบัติที่ดีในการดูดกลืนและเก็บกักรังสีอินฟราเรด แต่นะคะเมื่อดังสีอินฟราเรดสะท้อนออกนอกโลกก็จะถูกเก็บกักสะสมไว้ในชั้นบรรยากาศจะไปส่งผลให้พื้นผิวโลกร้อนขึ้นเรื่อยๆค่ะ นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสาเหตุหลักของก๊าซเรือนกระจกคือธาตุคาร์บอนที่เคยสะสมในรูปของน้ำมันและถ่านหินถูกปลดปล่อยออกมาเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และจากการที่มนุษย์ขุดเอาสิ่งเหล่านั้นก็คือน้ำมันและถ่านหินชั้นใต้ดินมาใช้เป็นพลังงานนะคะก็จะทําให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศถูกธรรมชาติดูดซับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้น้ําหรือว่าสะสมอยู่ในรูปของภูเขาหินปูนและปะการังค่ะ ปัจจุบันนี้มนุษย์ขุดคาร์บอนจากน้ำมันขึ้นมาเผาวันละ80ล้านบา์เรลแล้วยังเผาป่าทำลายต้นไม้หลายร้อยล้านต้นที่เป็นตัวดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเพื่อเปลี่ยนพื้นที่กเกษตรกรรมจรึงทำให้กา๊าซคาร์บอน ไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศมีมากเกินกว่าที่ธรรมชาติจัดจัดการได้มันจึงสะสมในชั้นบรรยากาศมากขึ้นจนเป็นภาวะเรือนกระจกนะคะเมื่อร้อยปีก่อนมนุษย์ขุดน้ํามันขึ้นมาใช้ชั้นบรรยากาศของโลกมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์280โมเลกุลในทุกๆ1ล้านโมเลกุลของมวลอากาศแต่นะคะเมื่อ10กว่าปีก่อนนี้นะคะผู้คนทั่วโลกตระหนักถึงปัญหาภาวะเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่ม มาอีกร้อย ppm นะคะเป็น380 ppm นะคะมีการประชุมนานาชาติบ่อยครั้งที่จะหามาตรการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่ก็ถูกคัดค้านโดยประเทศมหาอำนาจที่มีส่วนได้เสียกับส่วนได้ส่วนเสียนี่นะคะกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะนักวิทยาศาสตร์จึงเกรงว่าหากปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน400 ppm หายนะ จะมาเยือนโลกแล้วนั่นก็คือว่า มันอากาศของโลกก็จะร้อนขึ้นนะคะแล้วก็เกิดภาวะที่เรียกได้ว่าอากาศเป็นพิษสิ่งต่างๆก็จะเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นระดับน้าทะเลโลกที่สูงขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยนะคะแล้วก็น้ำแข็งขั้วโลกก็จะละลายอย่างรวดเร็วนะคะความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศเกิดขึ้นอย่างมากมายมหาศาลถ้าหากว่าทั่วโลกยังคงปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับเดียวกับปัจจุบันก็จะทาให อุณหภูมิโลกเฉลี่ยพุ่งเกิน 1.5 องศาเซลเซียสภายในปี2030เมื่อเทียบกับช่วงก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมและสิ้นสุดศตรวรรษที่21อุณหภูมิเฉลี่ยโลกอาจเพิ่มสูงขึ้นถึง 3.2 องศาเซลเซียสค่ะก็จะเห็นได้จากปีนี้นะคะด้วยร้อนของประเทศยุโรปอากาศร้อนสูงถึง42องศาค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นแบบนี้มาก่อนค่ะ นักวิทยาศาสตร์บอกว่าเรามีเวลาเพียงแค่11ปีเท่านั้นที่จะยับยั้งไม่ให้อุณหภูมิโลกสูงเกิน 1.5 องศาและถ้าโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นอีก 1.5 องศาอะไรจะเกิดขึ้นนะคะ เพราะว่าทุกวันนี้นี่นะคะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเกิดขึ้นตลอดเวลาความเสี่ยงเรื่องหายนะจากธรรมชาติเช่นภาวะแล้งจากไฟปา่าน้ําท่วมใหญ่น้ําแข็งละลายการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลปะการังฟอกขาวการขาดแคลนอาหารสําหรับผู้คนนับล้านโลกก็จะลดลงไปไงคะคุณฟังเพราะว่าถ้าอุณหภูมิโลกสูงขึ้น 1. นุห้าองศาหายนะต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ําท่วมชายฝั่ง สำหรับเมืองที่อยู่ติดทะเลนะคะอาจจะประสบปัญหานา้ําท่วมอย่างถาวร น, นะคะกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงของเราของประเทศไทยก็จะหนีไม่พ้นปัญหาการขาดแคลนน้นําจากภาวะแร้งจัดในเมืองเคปทาวประเทศแอ ฟ, ฟริกาใต้คลื่นความร้อนจัดในทวีปยุโรปนะคะที่ฉันเรียนรู้ฟังไงคะว่าอุณหภูมิจากที่ปารีส น, นะคะฤ ด, ดูร้อนปีนี้สูงถึง42องศาเป็นไปได้อย่างไรรวมไปถึงฝนตกหนักจากพายุเฮอริเคนในสหรั อเมริกาค่ะมีการค่ากันว่าปะกการังของโลก 70-90% อาจตายหมดนั่นหมายถึงการสูญพันธุ์ของปลาทะเลอาหารหลักของคนทั้งโลกนะคะแล้วก็นะคะผู้นำประเทศต่างๆก็ได้มีการประชุมแก้ไขปัญหาคลายเมชช์นะคะว่าจะาควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียสนะคะ แล้วนะคะรัฐบาลสหรัฐนะคะก็ได้ประกาศถอนตัวจากข้อตกลงโดยอ้างว่าไม่เป็นธรรมสำหรับสหรัฐนะคะเพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ยังพบว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลกน ะ, ะยังเพิ่มสูงถึง 2.7 ปนะคะปัญหาใหญ่ก็มาจากการปล่อยก๊าซจากพลังงานถ่านหินซึ่งเป็นการผลิตไฟฟ้าที่สาคัญที่สุดนะคะในประเทศที่กาลังพัฒนาเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด รประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดในโลกนะคะอันดับแรกก็ได้แก่จีนสหรัฐอเมริกาและอินเดียนะคะนักวิทยาศาสตร์นะคะบอกแล้วว่าอีก11ปีนะคะโลกก็จะมีปัญหาในเรื่องของโลกร้อนนะคะความร่วมมืออย่างจริงจังทั่วโลกนะคะก็จะเป็นทางเดียวที่จะหยุดยัง้งเรื่องนี้ได้นะคะดังนั้นค่ะหลายประเทศจึงได้เริ่ม เริ่มตื่นตัวนะคะในเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะรัฐสภาอังกฤษไอแลนด์ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะคะบอกว่าเราควรจะเปลี่ยนคาว่า climate change เป็น climate crisis เพื่อสะท้อนหายนะของโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะสำหรับ เราทำยังไงดีคะที่ฉันว่าปลูกต้นไม้ค่ะคุณผู้ฟังคะ่ะปลูกต้นไม้นะคะที่ที่ว่างที่เรามีที่ว่างอยู่นี่นะคะก็จะช่วยในเรื่องของภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างดีเลยคะ่ะค่ะคุณผู้ฟังคะ่ะวันนี้รายการมุมมองข่าวรายการที่จะเพิ่มมุมมองให้คุณฟังหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ข่าวหน้าสวัสดีคะ่ะรายการมุมมองข่าวสนับสนุนรายการโดย